ความสุขความเจริญจะมีแด่ท่านทุกฝังทั้งหลายแต่ลงพระโพธิธญาณได้นำเสนอบารมีธรรมหรือที่เรียกว่าพุทธการกฐธรรมคือธรรมะที่ทมบุคคลให้เป็นพระพุทธเจ้าสืบต่อกันมาโดยลำดับก็มาถึงเรื่องของสัจจะบารมีในข้อนี้ท่านได้แสดงไว้ว่า ถ้าท่านปรารถนาจะบรรลุพระโพธิญาณแล้วไซ้ท่านจงสมาทานสัจจะบารมีมีวาจาแน่นอนไม่เป็นสองในสัจจะบารมีนั้นจกบรรลุพระสัมโพธิญาณได้อันว่าดาวประกายพลึกเป็นดาวนบปเคราะห์ที่เที่ยงตรงในโลกพร้อมทั้งเทวโลกไม่โคจร อ, ออกนอกวิถีโคจรไม่ว่าจดูฝนดูร้อนหรือดูหนาแม้ฉันได ถึงท่านก็ฉันนั่นเหมือนกันจงอย่าเดินออกนอกวิถีทางในสัจจะทั้งหลายถึงฟังแห่งสัจจะบารมีแล้วจกบรรลุสัมโพธิญาณได้ข้อนี้เราก็เห็นกรอบของสัจจะที่พระโพธิสัตว์ท่านบาเพ็ญแล้วก็เน้นหนักเป็นพิเศษประการแรกก็คือสัจจะวาจา แต่การการกล่าวถ้อยคําที่เป็นสัจจะซึ่งเป็นการเปล่งออกของตนเองหรือการกล่าวยอมรับจากบุคคลอื่นหรือการตกลงนัดหมายกับบุคคลอื่นซึ่งสัจจะวาจานั้นบางครั้งก็ไม่ค่อยจะลึกซึ้งอะไรเท่าไร ห, รหร่รอกระยะเวลาแห่งการรักษาก็ไม่ค่อยยาว แต่ปัญหาสำคัญว่าเมื่อพูดไปแล้วนี่ต้องรักษาวาจาเอาไว้แล้วต้องพยายามทำให้ได้ตามนั้นเช่นในการสื่อกับบุคคลอื่นคือสื่อสารจะ บ, บุคคลอื่นเราก็เรียกว่าสัจจาวาจาอย่างที่ปรากฏในเบญจธรรมข้อที่สี่ซึ่งก็ เป็นความเปลี่ยนแปลงที่ประณีตขึ้นของสีข้อที่4นั่นเองโดยในช่วงที่เป็นสีนั้นเป็นการงดเว้นจากการพูดเท็มแล้วก็พัฒนามาเรื่อยจนมาพูดคำพูดที่เป็นคาสัจคำจริงคาสั์คำจริงนั้นท่านบอกว่าพูดไปตามประสาทสัมผัสของเราประสาทสัมผัสของเราที่จริงก็มี6 แต่เวลาท่านพูดในกรณีนี้ท่านใช้สี่คำแปลว่าพูดตามที่เราได้เห็นมาหมายความว่าเรื่องอะไรก็ตามที่เราเห็นด้วยตา ม, มาอย่างไรเราก็รับผิดชอบได้เฉพาะที่เราเห็นเราพูดได้เฉพาะที่เราเห็นแต่พูดเกินจากที่เห็นมันก็เป็นเท็จ ถ้าพูดกรบเกลือนจากสิ่งที่เราเห็นก็เป็นเท็จแต่ในการพูดเรื่องสัจจาวจาก็ต้องระมัดระวังเหมือนกันกรณี้เราคุ้นเคยกับคําว่าสัจจังเวอมตาวจรทีแปลว่าวาจาสัตว์เป็นวาจาไม่ตายแต่ในพัฒสนามจริงๆคือภาคของการพูดออกไปจริงๆมีคนเป็นนั้นมากที่พูดความจริงแล้ว ก็ดึงภัยดึงอันตรายมาสู่ตนเองก็มีคำพูดอีกประโยคหนึ่งซึ่งเป็นคติไทยเขาเรียกว่าประมอตายเพราะปากควรพูดมากก็จะตายใครประมอปัญธำยังไงจึงจะสามารถรักษาสัจจวิาจาเอาไว้ได้พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้โดยใจความว่า วาจาสัตว์เป็นวาจาไม่ตายเอสทัทโมสนันตโนนี้เป็นของเก่าคือธรรมะโบ ร, โบราณที่ยึดถือพระพฤติปฏิบัติกันมาแต่การรักษาสัจวาจาโดยนิยะท์ที่ขารการกันกรองขาดการพินิจพิจารณาให้รอบคอบแล้วในขณะเดียวกันตัวเองก็ต้องรับผิดชอบในสัจวาจาจงนั่น บางครั้งบางคราวมันก็มีได้ไม่เท่าเสียเราเป็นรอยด่างทางประวัติศาสตร์แล้วก็นําไปสู่ปัญหาต่างๆอีกเป็นอันมากย่านีเคยยกตัวอย่างวรรณกรรมของอารยันนะฮะที่ปรากฏบางอย่างมันก็เป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์เช่นบนรรพชนของพระพุทธเจ้าคือพระเจ้าโอกากาการา ที่พังพระวจาราชทานพรแก่พระเมสีใหม่เมื่อพระนางประสูติพระราชโอรสก็ขอให้นางขอพอรได้ตามที่นางต้องการในช่วงนั้นนางก็ถือว่าขอพักไว้ก่อนแล้วจะกราบทูนเมื่อถึงเวลากลายเป็นการผูกมัดสองชั้นคือพอรที่ให้ไว้ ก็ยังไม่มีการรับเดี๋ให้แล้วก็เรียกคืนไม่ได้เพราะเปลี่ยนวาจาไปแล้วเดี๋ยวเมื่อนางจะรับขึ้นมาก็ไม่รู้จะขอพร อ, อะไรก็ขอให้เกิดความวิตกกังวลแล้วก็จบลงด้วยนางขอราชาสมบัติให้แก่ราชโอรถซึ่งจะไม่ให้ก็ไม่ได้เพราะว่าเป็นสัจจว า, า, าจาที่ได้ประทานไปแล้ว ที่เราพูดกันว่าเป็นกษัตริย์ัแล้วต้องไม่คืนคําหรือถ้าเรามองในแง่ดีมันก็ได้นะเพราะว่าพระราชโอรสราชธิดาซึ่งเป็นปฐมวงของศรรักยะวงศ์ก็ได้แยกย้ายกันไปสร้างบ้านสร้างเมืองขึ้นจนกลายเป็นสองราชวงศ์เป็นสองราชสกุลแล้วก็สืบต่อกันมาพระพุทธเจ้า ก, ก็เกิดขึ้นจากราชวงศ์นี้ แต่เราก็มองในแง่ของความแตกแยกความเป็นอันตรายเราก็เห็นได้ชัดเจนเหมือนกันเพราะสิ่งที่เราเห็นก็ไม่ใช่พูดได้เสมอไปเราจรึงวางหลักไว้ว่าจะต้องพูดคําสัตว์คือเรื่องนั้นเป็นเรื่องจริงไหมเป็นเรื่องดีไหมมีประโยชน์ไหมแล้วพูดไปแล้วนี่ผู้ฟังชอบใจหรือไม่ชอบใจ ถ้าเรื่องนั้นเป็นเรื่องจริงเป็นธรรมมีประโยชน์แม้บางครั้งผู้ฟังจะไม่ชอบใจแต่ก็ดูกาลเทศะที่จะพูดวาจาเช่นนั้นออกไปเพราะแนวตรงนี้พระพุทธเจ้าก็จะพูดวาจาสองประเภทนะหนึ่งเรื่องนั้นเป็นเรื่องจริงเป็นธรรมมีประโยชน์ผู้ฟังไม่ชอบใจแต่รูกละที่จะพูดวาจาเช่นนั้น เพรเรื่องบางเรื่องการฝึกปลือปล้ อ, อบรมการว่ากล่าวตักเตือนการบริหารบุคคลนั้นจะให้เขาชอบใจทั้งหมดก็คงไม่ได้หรอกแต่เมื่อมองไปที่ผลประโยชน์ซึ่งเขาจะได้ก็ทํานองคล้ายๆคนป่วยจะหายป่วยแม้จะต้องผ่าตัดคือบาดเจ็บบ้างก็ต้องผ่าชุดที่สองนั้นก็เรื่องนั้นเป็นเรื่องจริงเป็นเป็นธรรมมีประโยชน์ผู้ฟังชอบใจ แต่พระองค์ก็ดูกาละเทศะที่จะรับสั่งวาจาเช่นนั้นเพราะสัจวาจานั้นจะต้องมีปัญญาเข้ากำกับเราลองสังเกตอย่างที่บอกไว้ว่าบารมีหลักก็คือทานศีลเนคขมะและก็ปัญญาบารมีเหล่านี้ถือว่าเป็นอุปการะบารมีที่จะสนับสนุนในการบำเพ็ญบารมีทางหลายหรือจะต้องแทรกอยู่ในทุกบารมีไม่ใช่ว่า บารมีจะแยกเดี่ยวออกมานะะเพียงแต่ว่าตรงไหนเด่นเราก็พูดว่าบารมีนั้นเท่านั้นตอนการพูดไปตามที่เราได้เห็นได้เห็นด้วยตาเนื้อนะฮะซึ่งบางครั้งอาจจะไม่จริงก็ได้ที่เราเห็นเนี่ยเช่นสมมติว่าคนเดินมาสักสิบคนหนึ่งเรามองไปก็นับดูก็เห็นว่ามันมีอยู่เก้าคน คนหนึ่งเราไม่เห็นเพราะว่าตัวเตี้ยเพื่นเขาบังไว้หรือว่าเดินล้าหลังอยู่เราไม่เห็นเวลามีใครถามเราก็บอกว่าเห็นเก้าคนเราจะบอกว่าเห็นสิบไม่ได้เพราะจริงๆที่เราเห็นก็ไม่มีแค่เก้าคนด้านเดแต่ตรงนี้มันไม่ใช่เรื่องสลับซับซ้อนเรื่องบางเรื่องที่เราได้เห็นเนี่ย คือถ้าพูดไปตามตรงเรื่องนั้นอาจจะไม่มีประโยชน์แล้วเกิดโทษแก่คนที่เราพูดถึงหรือเกิดโทษแก่เราเราก็ไม่พูดเพราะาเรื่องวาจาเนี่ยเป็นเรื่องที่เราจะพูดก็ได้ไม่พูดก็ได้มันปากของเราคือการกระทําการพูดการคิดเนี่ยนะมาเราควบคุมได้ แต่ว่าถ้าทําไปแล้วพูดไปแล้วคิดไปแล้วเนี่ยไปควบคุมผลมันไม่ได้ผลมันต้องเกิดตามเหตุที่เราได้กระทาแต่ก่อนทําก่อนพูดก่อนคิดที่เราคบคุมได้เราไม่พูดก็ได้พูดก็ได้ก็มองดูตรวจสอบพิจนารณาดูให้ดีแล้วพูดมาตามที่เราได้ยินหมายความได้ยินด้วยหู แล้วก็พูดได้สมบูรณ์ตามที่เราได้ยินได้ยินนายกเขาพูดว่าอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นเราพูดไปตามที่ได้ยินถูกผิดไม่รู้เราไปรับผิดชอบขนาดนั้นไม่ได้เพราะเราไม่ใช่เป็นต้นมาของเป็นที่มาของเรื่องที่นำเสนอแต่เราก็ได้ยินมาอีกต่อห น, นึ่งซึ่งคนด้านเองก็อาจจะได้ยินมาอีกต่อห น, นึ่งแล่เราเป็นคนที่เท่าไหร่เราก็ไม่รู้เหมือนกัน เมื่อมีการพูดถึงรารบกันเราก็พูดออกไปผู้ฟังเองก็ต้องรู้ว่าเรารับผิดชอบได้ขนาดไหนแต่มีข้อแม้ว่าสิ่งที่เราสัมผสัสมาทางประสาทสัมผสัสให้พูดไปตามที่ได้เห็นด้วยตาได้ยินด้วยหูได้ทราบด้วยจมูกลิ้นกายคือเวลาทราบเนี่ยเขาเรียกวาทราบกลิ่นด้วยจมูกทราบรสด้วยลิ้นทราบเย็นร้อนอ่อนแข็งด้วยกาย ลรารู้เรื่องเหล่านั้นมาด้วยใจในกรณีที่เป็นความรู้ด้วยใจเนี่ยบางครั้งบางคราวเราก็พูดวิจิตพิจาดณาได้นะครเป็นแนวของปฏิภาณนักกวีมันพูดจากแรงบันดาลใจความประทับใจความดื่มดํากวีเขาเห็นอย่างนั้นจริงๆอย่างในกรณีตัวอย่างโครงในนิราชนรนทร์สองบทบทที่สองบทที่สามะนะเนี่ เราจะเห็นว่ามันเป็นภาพของอารามที่มันยิ่งใหญ่มากแล้วก็นึกไม่ค่อยออกเหมือนกัน น, นะว่าอารามในลักษณะนั้นมีอยู่จริงหรือไม่แต่ว่าในสายตาของกวีกวีรู้สึกว่ามีอย่างนั้นแล้วก็เป็นอย่างนั้นกวีก็นําเสนอเราอ่านแล้วเราก็เป็นจินตนาการเป็นวัดในฝันเป็นอารามในฝัน เป็นพระศาสนาในยุคที่น่าสัมผัสจริงถามว่าถ้าไม่มีเนี่ยกวีก็โกหกไหมก็ไม่โกหกมันเป็นเรื่องของปฏิภาณกวีเป็นเกิดเกิดขึ้นจากแรงประทับใจปันดาลใจที่ท่านบอกว่าเรื่องเรื่องไตรรัต พ, พ้นพันแสงรินรถพระธรรมแสดงคำเช้า เจดีระดับแสงเสียดจอดยนยิ่งแสงแก้วก้าวแกนล่าหลากสวรรค์มันงามวิจิพิสดาเนเกินกิจกรรมภายในวัดก็ทราบซึ้งน่าประทับใจสถานภาพของพระตัณไตรก็โดดเด่นสว่างโพรองอยู่ภายในจิตใจของพุทธศา ส, สนิกชนแล้วก็สามารถสัมผัสได้ด้วยประสาทส่วนอื่นด้วย บทระเบียงโมดพื้นไัยหารธรรมา ส, สาลาลานพระแพ้วหอใจ ร, ระคังขานภายค่ำไขประทีปโคมแก้วกำฟ้าเฟือนจันทร์ซึงตรงนี้ค่อนข้างค่อนข้างชัดนะฮะว่วัดก็มีลักษณะอย่างนั้นแต่ว่าบทบทที่สองเนี่ยมันเด่นเหลือเกินสวยงามเหลือเกินแต่ว่าเป็นจนินตะกวีกวีก็พูดได้ก็นำเสนอได้ ทั้งหมดนี้เราถือว่าเป็นสัจจาวาจาเป็นการชี้บอกหรือเป็นการตอบรับแล้วก็ทำไปตามที่ตอบรับเมื่อทำเสร็จก็จบคือไม่ต้องรักษาตรงนั้นแต่ว่าสัจจาวาจาบางอย่างนั้นมันมีส่วนผูกพันซึ่งจะต้องระมัดระวังตรงหนักเหมือนกัน จะสมมติว่าการสอนการชี้แจงการอธิบายธรรมะอันที่จริงก็เป็นการบอกกล่าวต่อบุคคลอื่นเพียงแต่ว่าธรรมะที่เรานําเสนอเป็นถูกต้องจริงหรือเปล่าถ้าไม่ถูกต้องมันก็มีปัญหาเขาจะอาจจะเข้าใจผิดและถ้าพูดถึงปัญหาเรื่องสีเรื่องวิ น, นัยเขาอาจจะไปปฏิบัติผิดจาก เจตนารมของพระพุทธเจ้าจากตัวความจริงที่ทรงแสดงเอาไว้บางอย่างจึงมีความลึกซึ้งที่เคยพบประวัติอาจารย์ชาวะนองปากพงคือตาเล่าถึงอาจารย์ขำ เ, เรแล้วก็สอนรู้สึกจะวินัยนะคระสอนเสร็จแล้วเนี่ย ตัเองก็ขึ้นไปนั่งกรรมฐ า, านบนยอดเขาตกกลางดึกอาจารย์ตามขึ้นไปก็บอกบอกว่าตอนตอนบ่ายเนี่ยอธิบายเรื่องบินัยตัวนั้นผิดพลาดไปก็เป็นห่วงก็มาอาธิบายสมัใหม่อาาบอกว่าอาจารย์ไม่น่าจะลำบากเดินขึ้นมากลางดึกกลางดืนอาจารย์ก็ดูเอาวาคุณนี่พูดยังไง แต่ผมเกิดตายขึ้นมาเนี่ยจะทำไงคุณก็เข้าใจผิดคกงโกหลงผิดออบไปก็ปฏิบัติผิดผงก็เป็นบาปคุณก็เป็นบาปนั้นแสดงให้ไดต้องความรับผิดชอบในตัววาจาที่เราเปล่งออกไปบางครั้งมันมีกฎมีเกณฑ์มีหลักไม่ถานมีที่ไปที่มาถ้าเราบอกกล่าวไปแล้วมันไปสร้างทิฐิวิปริตได้เกิดขึ้นแก่คนแล้วมันขยายผลออกไปได้ดเรื่อย ก็เป็นการนำให้คนทำบาปเพิ่มยิ่งขึ้นบาปนั้นก็ติดตัวเราด้วยเรื่องบาปเรื่องบุญเนี่ยมันเป็นเรื่องอย่างเดียวกันอย่างที่พระเจ้าทรงแสดงถึงกุศลสาธารณะเช่นการปลูก ป, ป่าการสร้างสะพานการขุดบอ่อน้ำการขุดสระน้ำการวางภาชนะใส่น้าเอาไว้ให้เป็นที่อาศัยของบุคคลทั้งหลายเนี่ย มันเกิดบุญอย่างต่อเนื่องแกผู้สร้างทุกครั้งที่มีการบริโภคใช้สอยสิ่งเหนั้นทุกครั้งที่สัตว์มาเกาะต้นไม้ทุกครั้งที่คนอาศัยร่มเงาต้นไม้ทุกครั้งที่สัตว์มาดื่มน้าทุกครั้งที่คนมาอาบน้าอะไรแต่ไตอไรก็ถือว่าบุญก็เกิดขึ้นแกผู้สร้างสาธารณภพเหล่ า, านั้นเปบุญบาปที่เราบอกกล่าวแกคนอื่น แล้วคนอื่นไปทำตามที่เราบอกหรือไปพูดตามที่เราบอกบาปก็มาถึงกับเราด้วยแต่ว่าบางคำจึงไม่ใช่เรื่องง่ายนะต้องคิดต้องใคร่ครวรต้องมองหลายชั้นถ้าไม่มั่นใจก็อย่าพูดเพราะในลองสังเกตว่าเวลาภาคสนามจริงๆมันจะมีธรรมะ อยู่ข้อหนึ่งคือสติหรือสัมจัญญาจะเป็นตัวระลึกรู้ก่อนที่จะกล่าวสัจจะอะไรออกไปจะต้องมีความรู้สึกเมตตาต่อคนฟังจะต้องมีปัญญาในเรื่องที่เราจะพูดความรอบรู้ในเรื่องที่เราจะพูดแล้วก็มีความพระรบในตัวความจริงที่จะพูดออกไป โดยปัญญาก็มองเห็นถึงคุณค่าและประโยชน์ที่จะได้จากการพูดวาจาเช่นนั้นดังกล่าวแล้วก็เปล่งวาจาเหล่านั้นออกไปจุดเน้นระดับนี้ท่านก็ห้ามไม่ให้ไปเสริมความคือขยายความหรืออาความเพราะอะไรเพราะว่ามนุษย์เรามีความรักความสั่งแบ่งแยกเป็นเราเป็นเขาเป็นพวกเราพวกเขา ตอนพอถึงจุดหนึ่งเนี่ยเวลาจะพูดถึงความดีของคนที่เราไม่ชอบเนี่ยมักจะมีการอําความคือกลบเกลื่อนความดีเหล่านั้นเอาไว้แล้วก็พูดเพียงนิดหน่อยแสดงว่าเทเ็จนะฮะทีนี้ถ้าพูดถึงความชั่วของคนที่เราไม่ชอบเขามีเพียงนิดหน่อยเท่านั้นเองก็ละเลงได้จนเละหมดเลย กระทซงนี้กระเทสอีกผลจากการพูดนั้นคลาดเคลื่อนจากความจริงเกิด ค, ความเสียหายแก่ตัวเราคือเราทําบาปคนฟังได้รับข้อมูลข่าวสารที่ไม่ตรงทําความเป็นจริงแล้วคนที่เราพูดถึงก็เกิดความเสียหายแล้วก็กลายเป็นเรื่องเพิ่มบาปเป็นเรื่องกระทําบาปสะสมบาปไปมากจริงขึ้น สัจวาจาจึงจะต้องไม่มีการใช้อารมณ์อารมณ์รักกับอารมณ์ชังตะกี้นี่อารมณ์ชังนะทีนี้อารมณ์รักเนี่ยมันจะตรงกันข้ามเช่นว่าพูดถึงความดีของคนที่เรารักก็ดีนิดเดียวเราพูดสยดย่อยเลยพันธานาสิทธ์มันน่าจะได้รางวัลมหาสารบอกพูดถึงความชั่วความปิดพลาดบกพร่องของเขาชั่วมากปิดพลาดมาก เราก็ปกป้องพูดกลบเกลือนความชั่วของเขาความชั่วจํานวนมากก็พูดแส่ น, นิดเดียวมีแสดงให้เห็นถึงว่าเป็นการใช่อารมณ์ใช้ความรู้สึกทีนี้อารมณ์ที่เราใช้เนี่ยบางครั้งมันเป็นเรื่องของความกลัวต่างทางในเรื่องจริงมาเป็นแงนแต่ว่ากลัว จะเป็นภัยเป็นอันตรายประเด็นตรงนี้ที่จริงเราไม่พูดได้นะแต่เราก็หาเรื่องพูดแล้วก็หาเรื่องให้ตนเองเดือดร้อนอีประการหนึ่งนั้นคือเราไม่ชัดเจนไม่ชัดเจนก็เหมือนกันถ้าไม่ชัดเจนอย่าพูดปากของเราเราไม่พูดได้แนวตรงนี้ถ้าพอไม่อยู่ในขันลองของธรรมเนี่ยมันก็กลายเป็นอคติ คือเียกว่าพูดไม่ตรงไปตรงมามันก็กลายเป็นอาคาติอาคาติทุกข้อเนี่ยนะมันผิดทั้งนั้นเลยเพราะว่าเป็นเรื่องอารมณ์อารมณ์รักอารมณ์สั่งอารมณ์กลัวอารมณ์เขาหรืองโง่ไม่รู้จริงในเรื่องพูดฟันการรับผิดชอบต่อตัวสัตว์จากว่าจา ที่ท่านบอกว่ามันไม่ออกนอกเส้นทางเมือนการโคโจรของดวงดาวดาวประกายพฤกษนีเที่ยงตรงไม่ออกไปนอกวิถีโคโจรไม่ว่าจะเป็นฤดูไหนก็ตามบนสันจจะวาระตรงนี้ท่านบอกมีวาจาแน่นอนไม่เป็นสองในสัจจะบารมีนั้นคือเอาประเด็นของวาระที่แน่นอนไม่มีวาระเป็นสอง คือไ ม, ไม่ได้พูดวันนี้อย่างพรุ่งนี้อย่างหนึ่งมรืนนี้อย่างหนึ่ง อ, อย่างที่ก็ยุ่งสร้างปัญหาขึ้นอีกเป็นนั้นมากเ่อฟังทั้งหลายใตร่มพระโพธิญาณในวันนี้ขอยุติไว้โดยเวลาเป็นคราีที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบูรในธรรมจึงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทัวกันสวัสดี